มาหากันก่อพูดกันไปคุยกันไปส่วนปฏิทินฐา น, นี่สองอย่างอาันนี้ปฏิทินฐานมมาะธรรมปฏิสินฐานสําหรับขอหาพระอ า, าจารยาก็มีการฟั้งธรรมะเป็นปฏิทินนี้จะไหนตะไรมาแต่ทันที่นี้ธรรมะในอดอยากอยากจนมกว่า อ, อีกอย่างนะ่นละ ป้าพร่ดงนี้ก็ไม่เคยศึกษาสำหรับตำราพูดไปก็พูดป่า ด, ดงๆไปตามเรื่องธรรมะต่าโดยมากไม่เคยมีไ้าสิตหนมีม้ไพ่าพูดตาม <c oughs> เกิดตามมีของตัวตามของโงกของตัว <c oughs> <c oughs> เรื่องการฟังธรรมะจะให้เกิดสราประโยชน์นั้น โดยส่วนใหญ่ก็คือตั้งใจของเราให้อยู่ปัจจุบันอดีตที่ผ่านมาอนาคตยังไม่ถึงต้องยุ่งเกี่ยวคิดปรุงตลอดถึงปัจจุบันการงานด้านอื่นที่จะคิดมันก็ไม่มีนอกจากจะต้องรวมระวังจิตของตัวเท่านั้นเมื่อเราตั้งจิตของเราไว้เหมาะสมทำหมะที่แสดงไปนั้นจะไปสัมผัสกับใจทําให้ใจ เยน็นใจสงบถ้าหากเราเนี่ยตังย้งไว้ดีๆนี่คิดปรุงไปอย่างนั้นอย่างนี้แต่ท่านจะคิดอะไรคือเราฟังเลยเอาใจใส่จดต่อเกี่ยวข้องบางสิ่งบางอย่างเขวัดความรู้ของท่านแ่นั้นความรู้ของท่านแ่นี้ไปแบบนั้นจิตไม่สงบระงับให้ไม่เกิดสารประโยชน์นอกจากจะเกิดโทษคือเน ห, นหนื่อยเหนื่อยหิว ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างของเราที่เคยมีมาปล่อยไปละไปไม่ต้องไปเกี่ยวไปคล้องไปปรุงไปคิดต่างจิตอยู่ในปัจจุบันถึงธรรมะท่านแสดงไปจะไม่ดีวิเศษอะไรแต่เราก็ถือการนั่งฟังธรรมะเป็นนั่งภาวนารักษาจิตของตัวมีเดชวัตรฟังธรรมะจิตรระจะให้เห็นธรรมะ เอาใจธรรมะต้องฟังแบบนั้นเพาะธรรมะที่แสดงออกไปไม่ได้แสดงที่อื่นถ้าแสดงในด้านปฏิบัติก็คือปฏิบัติกายวายจาจจิตของตัวกายวายจาจจิตทุกท่านทุกคนก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีเมื่อเป็นอย่างนี้กายของเราระยะที่ฟังธรรมะเราก็นั่งกันเงียบอยู่ อย่าทาชั่วเสียอะไรเราไม่ได้ทำาบจาของเราก็ไม่ได้พูดเลยคุยอะไรสําคัญเรื่องขอ ง, ง, ง, งใจที่วกคิดติตของตามสัญญาอารมณ์ต่างๆจงระวังใจของตัวเอาไว้เราจะกำหนดบทพุดโทรก็ได้ในเมื่อเวลาฟังอยู่นั้นหรือจะบังหนดลมหายใจกดทูแล้วจะจะดิดนิสัยของใครเคยฝึกปฏิบัติมาได้รับผล ประโยชน์จากการทำของตนก็เอาอันนั้นมาฝึกฝนถือว่านั่งภาวนาฟังค ร, รมะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นสมัยปัจจุบันดูเหมือนจะหายยากคนที่จะรู้จะเห็นจะเข้าใจชัดเจนในธรรมะโดยมากก็ได้จากสำหรับตำราจากครูจากอาจารย์ที่อื่นมา แต่ด้านจิตของตัวเองไม่เคยเห็นเคยเป็นความเชื่อแบบนั้นความจำแบบนั้นทางศาสนาถือแบบสัญญาไม่ใส่จะละจะถอนจะแจ่จะไขจิตใจทองตนให้ฟองใสให้สงบเย็นให้พเพราะเรื่องสัญญาในว่าใจมนุษย์ธรรมดาตัดมันก็มีจำที่อยู่ที่อาศัยเพรามันได้เหมือนกันฉะนั้น เรื่องปัญญาจึงแม้เ ป, เป็นเรื่องสําคัญที่จะแก้ไขขับไล่กิเลสปัญหาถ้าหากเป็นปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาการประพฤติปฏิบัติของตอนนั้นพันละเอียกว่าปัญญาถึงจะไม่มากก็มีคุณค่าสําหรับจิตสําหรับใจของผู้ประพฤติปฏิบัติที่รู้เห็นเป็นขึ้นมันเย็นมันสบายความสงสัยอะไรต่างๆ เป็นทางปัญญามันแก่ไขให้ตกหลุดออกไปจากจิตจากใจของผู้ประพฤติปฏิบัติ <c oughs> นี่คือทางปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาการทำสมาธิทุกคนเคยได้ยินได้ฟังได้ อ, อกรมมาแต่ก็มยังไม่ถึงขีดขั้นที่จะหายสงสัยในใจของตนดังนั้นจึงมีการแสวงหา สถานที่ต่างๆเพื่อจะได้ไปภาวนาไปวิเวคทำความเพียรมีความมุ่งหวังที่ทุกคนมาในสถานที่นี้มาในวัดถือว่าไม่มีอะไรยุ่งเกี่ยวรูปเสียงเรื่องเล่าต่างๆที่จะมาอยู่อายุให้ใจิตใจกระสับกระส่ายในสัญญารมภายนอกนั้นมันไม่ค่อยมี ขันยึงถือว่าเป็นที่วิเวกเป็นที่ภาวนาเมื่อมาถึงแล้วทุกคนก็ต้องตางหน้าแต่รรำทำบําเพ็ญให้เห็นให้รู้ในอัตในธรรมถ้าหากเรามีปัญญาเอาใจใส่ศึกษาทุกอย่างที่เกิดขึ้นทางจิตทางใจมันจะเป็นธรรมะสามารถที่จะรู้จะเข้าใจ ว่าจริงอันนั้นเป็นอย่างนั้นจริงอันนี้เป็นอย่างนี้ด้วยสติด้วยปัญญาของตัวมันสอนมันเทศอยู่ตลอดเวลาพระที่ท่านไปอยู่ในป่าปฏิบัติอัดธรรมซึ่งไม่มีครูมีอาจารย์จะแด่เรียนกรรมฐานจากคูจากอาจารย์ไปก็ไปฝึกอบรมใจของตัวแบบนั้นพอฝึกไปฝึกไปกําหนดไปจิตใจ ที่เคยสายแสเมื่อเราบังคับให้อยู่ในขอบเขตของอัดของทรรมใจมันก่สัมผัสอยู่นั้นเช่นบริกรรมพุทโธอยู่กับพุทโธพุทโธเป็นจิติตเป็นพุทโธอยู่นั้นผลที่สุดก็รวมลงได้เย็นสบายไม่มีอะไรที่จะมาหยวยุเกี่ยวข้องนั่งอยู่เป็นเวลานา น, าน ก็ไม่มีความเจ็บปวดเหนื่อยหิวพลอจิตไม่ได้ออกมาทางนอกอยู่กับเรื่องของธรรมส ง, งบอยู่ภายในนี่คือใจคือจิตเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะความเยือกเย็น <c oughs> เห็นธรรมะความสุขความสบายเป็นพื้นฐานก็มีจิตใจที่อยากจะจะทําบําเพ็ญทมเพียรก็กาวหน้าเพราะเหตุใดเพราะธรรมะ ที่เราเห็นเราเป็นในจิตในใจนั่นแต่ก่อนได้ยินแต่ครูแต่อาจารย์ผ่านสอนมาสมัยนี้เรารู้เราเห็นเราเป็นในจิตของเรามันเย็นมันสบายอย่างไรเราทราบแต่ความสุขของธรรมะนี้กว่าสามารถที่จะไปวัดกับความสุขของโลกที่โลกเคยติดข้องยินดีกันว่ามันสุขมากน้อยกว่ากันขนาดไหน ละเอียดหยาบกว่กากันขนาดไหนย่อมทราบได้ในใจของผู้ปฏิบัติเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นของดีมีคุณค่ามีสาระต่างคนก็ต้องปรารถนาผู้ที่เห็นที่เป็นในจิตในใจอย่างนั้นจึงไม่มีเรื่องอะไรที่จะกระตือหรือล้นในเรื่องของโลกเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่ในจิตในใจของเราไม่ได้อยู่กับอา mith าหาจิตมีความสุขจิต มีอาจมีทมแล้วมันถุกมันสบายหม่ว่าจิ่งภายนอกจะไม่สมบูรณ์ขาดแคนบ้างก็ต า, ามแต่ท่านก็อยู่ได้นี่คือผู้ที่มีจิตได้สัมผัสกับธรรมะเห็นธรรมะเป็นธรรมะฉะนั้นพระที่อยู่ป่าอยู่เขาระยะทางไปบินทบาตก็ใกล้บ้างที่บางแห่งก็สั่ง สห้าหลักกิโลเมตรกว่าจะไปถึงกลับมาต่อเสร็จสายโดที่อยู่ที่อาศัยของท่านตามทำตามเขาตามป่าตามดงนั้นโดยส่วนใหญ่กองคนตาฐานะของเขาเป็นอย่างไรเราก็พอทราบได้อาหารการหกฉันเขาให้อะไรมาหกฉันไปแต่เท่าว่าเรื่องความสบายงใจนั้นมันสบายมากไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยว วันคืนผ่านไปท่านได้รับอาจรับทำคือฝึกปฏิบัติไม่ขาดระยะเวลาไม่มีเรื่องภายนอกที่จะไปยุ่งเกี่ยวให้เสียวเวลาในการภาวนาของท่านถึงคบฉันจะไ ม, ม่อิ่มน้ำํารานกว่าตามที่อยู่ที่อาศัยอยู่ตามก่วมไม้หรือตามํตามตามเขากอตามท่านก็สุขของท่าน จุดอยู่ในอาจในธรรมที่ท่านพาธุปฏิบัติสัมผัสกับใจนี่ท่านจิงอยู่ได้ไม่ตืนเส้นไม่อยากปลอสร้างอะไรนอกจากจะสั่งใจท่องตัวให้ดีให้วิเศษเพราะเรื่องภายนอกนั้นยิ่งยุ่งเกี่ยวเท่าไรใจก็ยิ่งห่างไกลจากความสงบไปเพราะเป็นข่าสึกของการภาวนาการภาวนานั้นจะต้องปล่อยวาง ทุกเร่งทุกอย่างเชียก่อนมันจริงจะงลงได้เรื่มได้สงบสบายถ้ายเรายังยืงเกี่ยวกับอันนั้นอันนี้จิตไม่รวมให้ไม่เป็นไปเพราะนั้นนักปฏิบัติสมัยทุกข ก, การก็ดีหรือสมัยครูอาจารย์เก่าก่อนจิตนำมาสอนพวกเรากดีโดยส่วนใหญ่ท่านก็ได้ในสถานที่สงบสงัดในป่าในเขาในที่กันดานไม่ได้ในบ้านในช่องไม่ได้อยู่ อย่างรู้หลาอย่างพวกเราท่านได้รรมามาสอนโลกพระพุทธเจ้าเองก็ทธรนองนั้นสาวกหรือครูอาจารย์ก็ทธรนองนั้นนี่คือเรื่องของใจถ้าหากมีความสุขภายในมีใจสัมผัสกับธรรมท่านอยู่เย็นเป็นสุขสะดวกสบายในวุ่นวายเหมือนพวกเรากิเลตมีมากเท่าไรความปรุงของใจความคิดของใจมากเท่าไร คนนั้นก็ยิงยุ่งใหญ่ลำบากใหญ่ไม่มีความสุกความสบายให้เพราะอารมณ์สัญญาอยูุ่อยู่ตลอดเวลาถ้าสงบได้ปล่อยวางสัญญาอารมณ์ข้างน อ, อกไปหมดความสญญางบรวมรวมของใจปล่อยวางอะไรทุกอย่างแล้วมันสบายมันสบายเอาจริงจริงหนีเบื้องต้นที่คน ปฏิบัติธรรมะจะเชื่อมั่นในศาสนาเมื่อมันเป็นมันเห็นมันรู้จากการประพฤติปฏิบัติของตัวอย่างนั้นก็เชื่อมั่นีึงมรรคผลนิพพานถึงผู้คนประชาชนทั่วไปเขาไม่สนใจหรือนักปราชญ์่ศึกษาเราเรียนว่าการสมัยผ่านมามรรคผลหมดไปเขาพูดแต่ศาสนาล่วงไปเท่านั้น คาละหันหมดล่วงไปแถานั้นคานาคาหมดล่วงไปแถานั้นเศรษฐีคาคาโซดาหมดมีในกหรับตำราถี่เขาเขียนเอาไว้แต่คนเขียนนั้นไม่ทราบว่าเขียนเพื่ออะไรถ้ า, าพิจเจณาจริงจังแล้วไม่ใช่เขียนเพื่อจะบํารุงศาสนาบํารุงศรัทธาของบุคคลเขียนให้คนหลงผู้ศึกษาไปอย่างนั้นก็เลยไม่มีจิตใจอยากจะประพฤติปฏิบัติ แต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าหรือพวกเราท่านเคยสาทยายกันสว่ากขาโตสวัจจ า, ธาธรรมุทมันทิ่สีโกอากาัคกัลโกเคยสวดกันเป็นธรรมะคุณสวดประจำทุกวัดทุกวันผู้ที่ปฏิบัติศาสนาผมเคยสวดกันเช้าเย็นเป็นประจำและธรรมส่วนนี้มันเป็นอย่างไรนี่เป็นธรรมะคุณ ที่ผู้เขียนเอาไว้ว่าเป็นธรรมะคุณสันนิษฐาคุณของธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนออกไปนั้นจัดไปนั้นเป็นธรรมที่ชอบที่ดีผัวเพื่อแต่จิบัติตามธรรมคาสอนจริงจังจะเห็นเองสันคิตติโกอาจาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาถ้าหากทําตามนี่เป็นธรรมแท้ ไม่มีการไม่มีเวลาผ ร, รูบปกเพื่อปฏิบัติถ้าอาจมรรคผลหมดไปปฏิบัติเท่าไรไม่เกิดเห็นเป็นรู้อะไรจะมีจิตใจเพื่อปฏิบัติมาทำไมบวชอยู่ในศาสนาผูกคนภายนอกบาง่านบางคนก็ถือว่าสุขสบายไม่มีการงานอะไรชีวิตของนักบวชอยู่ด้วยคนอื่นส่งหนุ่งของห่มเขาก็หามาให้ แต่ติวิหารเขาก็สร้างให้อาหารการขบฉันเขาก็หามาถวายต ล, ตลอดถึงยาโรคภัยแก่โรคภัยไข่หนาวต่างๆเขาหามาให้มันสุกมันสบายมีความเห็นของคนภายนอกบางฉันบางคนอาจจะเห็นว่าพระที่บวชในศาสนาสุขมากสบายมากไม่ได้ทําอะไรเขาก็หาไปให้ไปถวายเขามัได้คิด ถึงเรื่องจิตใจเรื่องจิตใจของมนุษ์นั้นมันไม่เพียงพอมันมีความอยากมากใหญ่ถึงที่อยู่ที่อาศัยเขาหามาให้มันก็ยากได้จึงสร้างกันไปทำกันไปขอสำคัญเรื่องของใจมนุษย์ปุถุชนหรือสัตว์ทั่วไปมันของจิตคิดแวะเรื่องการอารมณ์ต่างๆการมาบวชจะต้องได้อดทน อย่ได้คมขีเรื่องจิตใจทองตนตาไม่ก่อทาเป็นตาบอดเพราะพระวินัยห้ามเอาไว้อยากไปดูละครดูหนังหรือไปไหนได้ผิดพวินยัยถ้าไม่สมควรที่จะไปในสถานที่อย่างนั้นเพราะเป็นอโควจรอของพระตาอยากดูก็ไม่ได้ดูหูอยากฟังเพลงดนตรีต่างๆก็หักห้ามเอาอีก เลีงอยากจะรับอาหารในเวลาวิการก็หักห้ามอีกหักห้ามเอาไว้มากมายหลายหลวงยิ่งเป็นพระบทสิขาบทเสี่ห้ามเอาไว้มากมายก่ายกองแต่นั้นผู้มาบวชถ้าไม่มีอาจมีธรรมในจิตในใจไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นจากการต่อพืชปฏิบัติจึงทนไม่ไหวอยู่ไม่ได้เห็นเรื่องของโลกเป็นสุขเป็นสบายไป เพาอยากจะดูก็ได้ดูอยากจะฟังก็ได้ฟังอยากจะกินจะดื่มอะไรต่อสะดวกสบายเราหาได้เราทําได้เหตุนั้นผู้บวชอยู่ในศาสนาจึงมีจํานวนน้อยไม่เหมือนฆราวาสเขาเพราะการบังคับใจนั้นบังคับยากแต่ถ้าหากผู้บวชตัวพืชปฏิบัติรู้เห็นชัดในอัดในธรรมแล้วคนนั้น ท่านสุกท่านสบายไม่ว่าจะตายจะอยู่เพราะจิตใจของท่านรู้เรื่องอริยสัจที่พระพุทธเจ้ตาตรัสสอนเป็นอย่างไรเห็นจริงเป็นจริงในจิตในใจทองท่านท่านจิงตั้งมัน่นอยู่ในศาสนาเรื่อยมาสำหรับผู้ิีรู้อาจเห็นทมในจิตในใจแต่การอยู่ในศาสนาก็ไม่ใช่ว่าพระเนรูจะเห็นจะเป็นอย่างนั้นบางท่านบางองค์ หมดหน ท, ทางหาจินเข้ามาบวชในศาสนาเหียนบ่าสะดวกสบายบางผ่านบางคนก่อจิตหลากสกุลยศถาบรรดาศักอยู่ไปด่านจิตใจเพียงแต่ศีลของยหยาบหยาบเกลือของธรรมก่ารักษาไม่ได้สมาธิความตั้งมั่นของจิตของใจเป็นคณิกะอุปจาระหรืออัปปนา ไม่เคยเห็นเคยเป็นเคยรู้เป็นตลอดวันตายอย่างนี้แต่มีไม่ใช่ว่าผู้เห็นอาจเห็นธรรมถ่ายเดียวที่จะอยู่ได้เหตุ น, นั้นการอยู่ในศาสตนะพระจะมีจานวนน้อยเนื่องจากการบังคับจิตใจของตัวมันยากหากไปเห็นอาจเห็นธรรมเชื่อมันในอาจในธรรมแล้วมันยืดยากลำบากเขาติดกรางเขาก็ยังมีการ เราลองำทำเพลงต่างๆได้แต่พระนี้ไม่มีทำไปกว่าผิดศีลของตัวมันบังคับอยู่อย่างนี้แต่นั้นผู้มาบวชจึงลำบากทางด้านจิตใจรึางกายจะสะดวกสบายกว่าจริงแต่ถ้ากายสบายไม่มีอาจมีทำอะไรเป็นเรื่องสำรายใจของตัวนั้นมันปรุงมันคิดไปมากเธื่อเพลินเลยขอบเขต ทองอัดท้องทำ ม, มันจริงอยู่ไม่ได้ในศาสนาผู้ศร่ประพฤติปฏิบัติตั้งหน้าภาวนาจริงจังสันจริงไม่วุ่นวายเกี่ยวข้องกับสถานที่หนีไปอยู่ในป่าในเขาที่ตันดา r ลําบากเพื่อจะได้ทรมานตัวของตัวอยู่ในสถานที่ธรรมดาจิตใจมันไม่ส ง, งบระงับให้ ที่ใดห่างไกลที่ใดมีอันตรายเช่นช้างเสือเป็นต้นท่านเข้าไปอยู่เพราะจะให้ท่านได้ช่วยชำระกิเลสตัณหาของตัวเพราะถากลัวแล้วมันภาวนาดีถ้าไม่กลัวมันไม่ภาวนาให้นอนตอนใดก็นอนได้อยากจะทําอะไรก็ทําได้ไม่มีอะไรเป็นภัยอันตรายมันถือแบบนั้นถ้าไปอยู่ในสถานที่เงียบสงัด อยู่คนเดียวขี่เปียวมีอันตรายต่างๆมันก็คิดขึ้นนี่เรามานี่มาเพื่ออะไรมาฝึกอบรมจิตใจใช่ไหมแล้วการคิดภายในไม่ต้องพูดถึงการทำการพูดภายนอกมันก็ระวังรักษาคิดไปในทางไม่ดีไม่งามอาจจะมีภัยอันตรายขึ้นมันก็เลยถือโอกาส เวลาอย่างนั้นภาวนาทุกระยะไม่เถอถึงเถอไปนิดๆหน่นนนอยก็เสียใจให้ตัวเองการฝึกในสถานที่อย่างนั้นจิตใจจึงค่อยเกิดประโยชน์เห็นอจเห็นทรรมได้รับความสงบมีการฝึกปฏิบัติจิตใจส่งหาสถานที่ท่านจึงเรียกว่าสไปยะคือสถานที่ เหมาะสถานที่สบายของจิตของใจผู้ที่เคยฝึกปฏิบัติในด่านธรรมะจะต้องทราบประทับใจในตัวของตัวเองไปสถานที่นั้นเป็นอย่างนั้นไปสถานที่นี้เป็นอย่างนี้เพราะเคยฝึกเคยปฏิบัติมาถ้าที่เป็นสปายะเราทําธรรมดาธรรมดามันปล่สงบรวมให้ปัญญาที่จะแกะไ้ไขกิเลสตัญหาตลอดถึง ปัญหาของใจต่างๆมันเกิดขึ้นซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาจากที่อื่นมันเกิดขึ้นจากจิตจากใจของตัวความสุขความสบายความสว่สางสวัยอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นประทับใจทำอยู่ในที่อื่นไม่เป็นอย่างนั้นพอไปถึงที่นั้นมันเป็นอย่างนั้นฉันจึงเรียกว่าสปายยะคือมันได้รับความสงบสงดัดความสบายของจิตของใจบางแห่งบางที่ เราทำแถบร้อแถบตายมันก็ไม่รวมให้จิตใจมันก็ไม่สงบให้นี่คือมันไม่เป็นสไปะยะเราอยากจะทราบก็ต้องทำาดยตัวของเราเองีิไใ้เป็นสไปะยะก่ใ จ, ใจของเราเราจะทราบแต่ไปเกี่ยวเฉยๆที่นั้นก็ไปที่นี้ก็ไปแต่การปฏฤฤฤิบัติรักษาจิตใจของตัวดูแลจิตใจของตัวนั้นไม่ได้เอาใจใส่ ก็ไม่ทราบว่าที่ใดเป็นสปายะค้องใจก็เลยหาที่สปายะไม่ได้ทั่วโลกก็ไม่มีเพราะเหตุใดเพราะตัวไม่ได้ทําไม่ได้ฝึกปฏิบัติถ้าฝึกปฏิบัติจะต้องรู้ต้องทราบแต่ต่างท่า น, ต, านต่างคนนิสัยจริตผิดกันบางท่านก็เปิดได้กําลังในสถานที่หนึ่งบางท่านก็ได้ไปได้กําลังในสถานที่หนึ่งที่ใดที่ท่านได้กาลังค้องใจที่ใดจิตใจของท่าน <c oughs> รู้เห็น อาจทำที่นั้นสันถือว่าเป็นสัพเพยะของท่านนี่พวกเราขี่บวชมาก็าดีหรือคารวะขี่ไปไหลายวัดหลายว่าหลายแห่งห ล, หลายหนก็ดีก็ต้องฝึกจิตใจอบรมจิตใจค้องตนที่ใดจะเป็นสัพปพยะทําจิตทําใจให้สว่างสวัยทำจิตทําใจให้สงบเย็นก็ลองกระทําบําเพ็ญไปเพื่อจะไม่ได้เสียเวลาวิ่งวุ่นหาสถานที่นั้นสถานที่นี้ขี่มันเป็นสัปเพยะ มันมีแต่ต้องอาศัยการทดสอบการประพฤติปฏิบัติจึงจะรู้จะเห็นีนเรื่องธรรมะมันมีอยู่ในภายในถ้าเราใข ค, คิดติดตามทีนี่พิจารณาแล้วมันอยู่ในตัวของเราเพราะกิเลส อ, อยู่ในตัวของเราความชั่วสียต่างๆถ้าเราละกิเลส อ, ออกไปจิตใจที่เคยว่าวุ่นปรุงคิดต่างๆถ้าเราไม่ติดตามเรื่องของมันมันคิด อยู่แบบนี้เคยคิดมาระยะยาวนานแล้วมักผลนิพานอะไรไม่เกิดขึ้นถ้าเราฝืนติดตามเรื่องของมันมันก็จะเล้วไหลไปอย่างเก่าเราจะไม่เชื่อฟังเรื่องความปู้งคดงิดของจิตของใจเราจะบังคับใจให้อยู่ในบทบริกรรมหรืออยู่ในลมหายใจเพื่อความสงบระ ง, งับของจิตพอสงบระ ง, งับได้จิตใจรวมสบาย หอดถอนขึ้นมากำลังของจิตจะมีทิจารณาอะไรถึงเคยสงสัยอยู่ก่อนปัญญาด้วยอำนาจของสมาธิหนุนหลังให้จะตัดปัญหาของใจขาดออกไปหลุดออกไปเห็นระจักนี่คือปัญญาที่ละกิเลสเกิดขึ้นจากการปฏิบัติท้องตนไม่ใช่ว่าไปจำมาจากปากคนนั้น จามาจากสําหรักตารานั้นมาแก้ไขมันต้องเกิดขึ้นกับใจเพราะจิตเลสมันอยู่กับใจถ้าปัญญาเกิดขึ้นกับใจขับไล่ออกไปได้ความสุขความสบายที่เราไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนเราก็จะทราบจะเห็นเราจะไม่เชื่อตาําราบาบาบบอที่ว่าการสมัยผ่านไปอราหันหมดอนาคาสศรษฐาชาโซดาหมดจะไม่เชื่อเพราะเราทําขนาดนี้แล้วก็ยังเห็นขนาดนี้ถ้าไม่มี มักมีผลการเวลามันกิน ม, มักกินผลไปหมดอย่างนั้นพวกประปฏิบัติจะไม่เห็นกันนี่เราปฏิบัติเรายังเห็นยังเป็นในจิตในใจจะเชื่อในการปฏริบัติของตัวยิ่งกว่าตำหลับตำลาที่เขียนเอาไว้นี่คือการประปฏิบัติภายในเห็นภายในเข้าใจภายในเรียนภายในเรียนแล้วอู้แล้วไม่หลง เรียนภายนอกมันหลงเรียนได้เท่าไรมันก็หลงไปเพราะได้มาจากสัญญาส่วนการเรียนภายในมันได้จากปัญญามันไม่หลงเยื่องจิตตัวเป็นตัวเห็นตัวรู้จาได้แน่นตลอดเวลาการลาการ ถ, ถอนของจิตของใจนม่มีใครที่จะลืมหลงแต่เรื่องสัญญาที่จํากี่ยวจำเสียงต่างๆ มันอาจหลงลืมไปได้เพราะสัญญาเพราะมันไม่เป็นขึ้นจากการประพฤติธปฏิบัติมันจำออกมาธรรมดาถ้ห า, หามันเกิดขึ้นจากการประพฤติธปฏิบัติทุกคนจะกระทับใจไมันใครที่จะลืมหลงความเป็นความเห็นของตัวคือมันเกิดขึ้นภายในฉะนั้นเราทุกท่านที่มาประพฤติธปฏิบัติกันแตเพื่อจะให้มันเห็นมันเป็นภายในของเรา เร า, าทํามาบางฉันบางองค์หรือบางฉันบางคนก็ทํามาเป็นเวลาระยะยาวนานแต่ยังไม่เห็นไม่เป็นให้ก็อยายาข้อใจให้ที่ทาไปเรื่อยๆกิเลสเราใหญ่กิเลสเรามากก็ตรงใช้เวลานา น, านเหมือนกันกันกบเราวิตน้ำจากบอ่อจากสระฐานน้ำ ม, มันมากก็ตรงใช้เวลานา น, านมันถึงจะหมด ไฟแห่งไปนี่จีเลตในกินในใจก็ทํานองเดียวกันถ้าเราปล่อยเอาไว้ไม่มีการขากเพี้ยนเมืมีการกระทําต่อไปจะให้มันแห้งเองมันไม่แห้งเรื่องของจิเลตตันหามันไม่เป็นไปตามการตามเวลาไม่เป็นไปตามอายุพรรษาหากมันเป็นอย่างนั้นพวดปวดมาหรือคนที่มีอายุแก่จีเลตตันหามันก็ตกหล่นออกไปหมด แก่เท่าไรเท่าไรก็ยิ่งหมดทุกโทษในจิตในใจออกไปเท่านั้นนี่เป็นอย่างนั้นถ้าหากไม่มีอาจมีทำแก่เท่าไรยิ่งยุง่งเวลาเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ยังไม่ยุ่งเท่าไร่อายุแก่เท่าไรยิ่งยุ่งเข้าไปเท่านั้นเหมือนกันกับบวกแก่บวกแก่มันแจงกินก็ไม่ได้นะไม่มีใครปรารถนาเพราะมันมีแต่ยุ่งของมันอยู่นั้น นี่เราก็เหมือนกันถ้าไม่มีธรรมะมีแต่เรื่องของโลกยุ่งอันนั้นก็คิดอันนี้ก็ปรุงมีลูกก็เกี่ยวกับลูกมีร้านก็เกี่ยวกับร้านมีบ้านนี้ส่องกับไปกันใหญ่ทั้งๆ ส, สิ่งเหล่านั้นเขาไม่ทราบเรื่องของเร า, าเราบ้าเราบอไปหลงเขาแต่เราก็ยังหลงเขาอยู่อย่างนั้นอะไรก็หอบก็โกยเข้ามาว่ากของของเรา ทั้งทั้ที่เขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นของของเรานี่คือเรื่องของความคิดความปรุงของใจที่ไม่มีอาจมีธรรมเมื่อยุ่งไปเท่าไรเกี่ยวข้องไปเท่าไรขอบเขตกวางขวางออกไปเท่าไรความทุกข์ของใจมันก็มีเท่านั้นมากเท่านั้นใครไปแตะต้องอะไรถึงเราหึงหวงเอาไว้จับจองเอาไว้มันก็เสียใจถ้ามีธรรมไม่เป็นอย่างนั้น ไม่ต้องพูดออกไปถึงเรื่องอื่นเรื่องของชาติของขันที่พวกเราท่านถือว่าเป็นเราเป็นของของเรานี้ท่านก็พิจารณาะดนะวดถึงทีท่วนจะจะไม่ให้จิตจิดข้องยึดถือด้วยการพิจเลยนะตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงของมันมันเป็นอย่างไรจะให้ทราบให้เห็นเป็นอย่างนั้นจิตที่จะไปติดไปข้อง ในสิ่งหนั้นนั้นท่านจะต้องสอบถืบแก้ไขแม้จิตใจไปกเกาะเกี่ยวยึดถือ